การณิการะวัคหมวดว่าด้วยการนิกาวิมานเป็นต้น 1. ตินิกานิการะบุพยาเถราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระติเนกาณิการะบุพยาเทระพระติเนกาณิการะบุพยาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าสุเมทะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการกระสรู้เองทรงประสงค์วิเวกจึงเสด็จเข้าไปยังป่าหิมพานครั้นเสด็จเข้าไปยังป่าหิมพานแล้วพระองค์ผู้เป็นมุนีผู้เลิศทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นบุรุษผู้สูงสุดก็ประทับนั่งขัดสมาธิครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นวิทยาธรสัญจรเป็นอากาศ ข้าพเจ้าถือหอกอันคมซึ่งทำไว้ดีแล้วหอะไปในท้องฟ้าพระพุทธเจ้าทรงทำป่าใหญ่ให้สว่างไสวเหมือนไฟบนยอดภูเขาเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญและเหมือนต้นพยาไม้สจลาซึ่งมีดอกบานสะพรั่งข้าพเจ้าเห็นพุทธรังสีมีสีคล้ายเปลวไฟที่ไหม้ไม้อ้อพวยพุ่งออกจากป่าจึงทำจิตให้เลื่อมใสข้าพเจ้าเลือกเก็บดอกไม้อยู่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 จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีวิมานสูงหกสิบโยต์กว้างสามสิบโยน์ซึ่งบุญกรรมสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อข้าพเจ้ารู้จักกันว่าการ น, นิการวิมานปราสาทเจ็ดชั้นสูงพันชั่วลูกธนูสะพรั่งไปด้วยธงพราวไปด้วยแก้วมณีสีเขียวและป้อมหนึ่งแสนป้อมปรากฏในวิมานของข้าพเจ้า บรรลังทองคำบรรลังแก้วมณีบรรลังแก้วทับทิมและบรรลังแก้วผลึกเปิดขึ้นตามความปรารถนาตามประสงค์ที่นอนมีราคามากยัดด้วยนุ่นมีลวดลายต่างๆมีขนแต่งขึ้นด้านเดียวและหมอนพร้อมเทพเจ้ามีหมู่เทวดาห้อมล้อมออกจากวิมานเที่ยวจาริกไปในเทวโลกในเวลาที่ปรารถนาจะไปยืนอยู่ภายใต้ดอกไม้ ข้าพเจ้ามีดอกไม้เป็นเครื่องมุงบางอยู่เบื้องบนสถานที่ประมาณร้อยโยต์มุงบางไปด้วยดอกกานิกาเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นบรรเลงกล่อมข้าพเจ้าทั้งเช้าและเย็นไม่หยุดย่อนแวดล้อมข้าพเจ้าเป็นนิสตลอดคืนตลอดวันในวิมานนั้นข้าพเจ้ารื่นรมด้วยการฟ้อนการขับร้องการเคาะดังจดานและการประคมเป็นผู้หมกมุ่นในคาม บันเทิงอยู่ด้วยความยินดีในการเล่นครั้งนั้นข้าพเจ้าบริโภคและดื่มอยู่ในวิมาันนั้นบันเทิงอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่นางอับสรบันเทิงอยู่ในวิมานอันอุดมข้าพเจ้าครองเทวสมบัติตลอดห้าร้อยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามร้อชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บู์นับชาติไม่ถ้วนเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่าวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ ย่อมได้โพคะมากมายเขาพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสองภพคือหนึ่งภพเทวดาสองภพมนุษย์คติอื่นเขาพระเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกระสัสองตระกูลพราม ตระกูลต่ำเข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าย่างคือช้างยางคือม้าวอและคานหามเขาพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ามูทาดหญิงทาดชายและเหล่านารีที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามเขาพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้และผ้าใยเทพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลนห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผ้าใหม่ผลไม้ใหม่โภชนะที่มีรสเลิศใหม่ๆเทพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลนห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคำเชื้อเชิญเช่นนี้ว่าเชิญเคี้ยวกินสิ่งนี้เชิญบริโภคสิ่งนี้เชิญนอนบนที่นอนนี้ ข้าพเจ้าก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เผาบูชาในที่ทุกสถานมียศสูงส่งมีพวกมากมีบริวารไม่แตกแยกกันทุกเมื่อบรรดาญาติทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักความหนาวความร้อนทั้งไม่มีความเร่าร้อนอันหนึ่ง ทุกทางใจก็ไม่มีในหาไทยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพันธุ์ดุจทองคําเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ความเป็นผู้มีผิวพันธุ์สามข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าถูกกุศลโมลตักเตือนแล้วจุติจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสารที่มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีข้าพเจ้าได้ละกามคุณห้าออกบวชเป็นบรรพชิต มีอายุได้เจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงทราบคุณวิเศษของข้าพเจ้าจึงให้ข้าพเจ้าอุปสมบทข้าพเจ้ายังมีอายุน้อยก็ได้เป็นปูชนียบุคคลนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประญาจักสุของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ข้าพเจ้าฉลาดในสมาธิถึงความสำเร็จในอภิญญานี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าบรรลุปฏิสัมพิทาฉลาดในอิทธิบาทถึงความสําเร็จในพระศาธรรมนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าที่เลททั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 เอกราปตะทายกะเทระประธานประวัติเนดิตชาตของพระเอกราปตะทายกะเทระพระเอกราปตะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นช่างหม้ออยู่ในกรุงหงสวดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเพิกิเลสผู้ข้ามโอคาได้แล้วไม่มีอาสวะข้าพเจ้าได้ถวายบาตรดินที่ทําแล้วอย่างดี แด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้นถวายบาตรแด่พระผู้มีพระภาคผู้ตรงผู้คงที่แล้วเมื่อบังเกิดนพิพพ์เขาพระเจ้าย่อมได้ภาชนะทองคําและจานที่ทําด้วยเงินทําด้วยทองคําและทําเล็กแก้วมณีเขาพระเจ้าบริโภคอาหารด้วยถาดทองคํานี้เป็นผลแห่งบุญกรรมและเป็นผู้เลิศ ก, กว่าชนทั้งหลายโดยยศพืชแม้น้อยแต่หวานลงในานาดี เมื่อฝนตกอยู่โดยสม่ำเสมอผลย่อมทาชาวนาให้ยินดีได้ฉันใดการถวายบาตก็ฉันนั้นเขาพเจ้าได้วานลงในพุทธเขตเมื่อสายทานคือปิติตกลงอยู่ผลก็ทำเขาพเจ้าให้ยินดีเคคือสงก็ดีพระก็ดีเท่าที่มีอยู่ที่จะให้ความสุขแก่สรรพสัตว์เสมอด้วยพุทธเขตไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาใน ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบารุษสูงสุดข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์เพราะได้ถวายบาดใบหนึ่งข้าพระองค์จึงได้บรรลุบทอันไม่หวั่นไหวในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปเข้าไปเจ้าได้ถวายบาดไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบาดกิเลสทั้งหลายเข้าไเจ้าก็เผาได้แล้ว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 กุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกเขาพาขาเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเอกาปตตธ า, ายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เอกาปตตะธายกะเทราประธานที่สองจบสาม กาสุมาริกะพละทายกะเท ร, ประปาทานประวัติในดิจิตชาของพ ร, ร พ, รพระกาสุมาริกะพละทายกะเทระพระกาสุมาริกะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเคลกิเลตผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนโชดช่วงดังต้นกันยาา ประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาเขาพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีประนมมือเหนือศีรษะได้ถือผลมะลื่นมาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกาสุมาริกะพละทายกะเทระได้ภาศกึกษาเหล่านี้ด้วยประการศนี้กาสุมาริกะพละทายกเทราประทานที่สามจบสอวตตะพลยะเทราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระอวตาภริยะเทระพระอวตาภริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาพระนามว่าสหัสรังสีทรงเป็นพระสยามผูผู้มีรงพ a ายแพ้ทรงออกจากวิเวกแล้วเสด็จไปบินตาบัดเขาพระเจ้าถือผ ล, ลไม้อยู่ได้เห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้องค์อาจกว่านรชน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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอวตภริยะเทระได้ภาศิษคถาเหล่านี้ด้วยพระคาราชนี้อวตภริยะเทราประทานที่สี่จบหจาระภริยะเทราประทานประวัติในติจชาติของพระจาระภริยะเถระพระจาระภริยะเทระ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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจารยภริยะเถระได้พาสสกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้จารยภริยะเถราประทานที่ห้าจบหก มาตุลุงคะพละทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระมาตุลุงคะพละทายกะเทระพระมาตุลุงคะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้โชดช่วงดังดอกกัิกาผู้รุ่งเรืองดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญทรงรุ่งเรืองดังต้นกระปพฤ้อ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 ประวัติในดิจฉาของพระอัชเชลผ ะ, ะทายกะเทระพระอัชเชลผ ะ, ะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอาชินะสิท ธ, ธะผู้เพียรพร้อมด้วยจรณนะฉลาดในสมาธิเป็นมูนีระทับอยู่ที่ภูเขาหิมพานเขาพระเจ้าถือผลรบฟ้ามีขนาดเท่าหม้อ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอาเจลพละทายกะเทระได้ภาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อาเจลพละทายกะเทราประทานที่เจ็ดจบ8อโมระพาริยะเทราประทานประวัติในดิจ่าติของพระอโมระาริยะเทระ พระอโมระภริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในติชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายผลอโมระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําผู้สมควรรับเครื่องบูชาซึ่งกําลังเสด็จดําเนินไปตามถนนในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย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 อมโมรภะริยะเทราประธานที่แปดจบเตาลภพริยะเทราประธา น, ารรา ป, รานประวัติในดิจชาติของพระตาลภพริยะเทระพระตาลภพริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสตะระสีทรงเป็นพระสยามผู้ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ทรงออกจากวิเวกแล้วเสด็จไปบินทบาท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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระตาลภริยะเถระได้พาสิกคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ตาลภริยะเทราประทานที่เก้าจบสิ 10. นาลิเกระภะทายกะเทราประทาน ประวัติในดิจจ่าของพระนาลิกเยระพละทายกะเถระพระนาลิกเยระพละทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นชาวสวนอยู่ในกรงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประาศจากทุลีเคอกิเลสซึ่งกําลังเสด็จไปในอากาศข้าพเจ้าได้ถือผลมะพร้าวไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด พระองค์ผู้มีพระยชน์ยิ่งใหญ่ประทับยืนอยู่ในอากาศทรงรับแล้วทําให้ข้าพเจ้าเกิดความปลื้มใจและทรงนําความสุขมาให้ในปัจจุบันข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสเพราะได้ถวายผลมะพร้าวแด่พระพุทธเจ้าได้ประสบปีติอันไพ่บูรและสุขอันสูงสุดรัตนะย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้าผู้บังเกิดอยู่ในภพนั้นๆในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนาลิเกระภะทะทายกะเทระได้ภาสุกคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้นาลิเกระภะทะทายกะเทราประธานที่สิบจบการนิการวักที่ห้าสิบเอ็ดจบบริบูรณ์รวมอาปรธานที่มีนวรัค์นี้คือหนึ่ง ติเนกาเิการะปุพยเถราประทาน 2. เอกปัตะทายกะเถราประทาน 3. กาสุมาริกะพละทายกะเถราประทาน 4. อวตตะภริยะเถราประทาน 5. จาระภริยะเถราประทาน 6. มาตุลุงฆะพละทายกะเถราประทาน 7. จ็อเชละพละทายกะเถราประทาน 8. อโมระภาลิยะเทราประธาน 9. ตาละพาลิยเทราประธาน 10. นาลิเกระพละทายกะเทราประธานในวักนี้บัณฑิตนับคถาได้99ขคถา พัทยกะวักหมวดว่าด้วยการถวายผลไม้เป็นต้นหนึ่งกูรัญชชยพัลทายกะเทราประทานประวัติในดิตจชาติของพระกูรัญชชยพัะทายกะเทระพระกูรัญชชยพัะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อเที่ยวอยู่ในป่า ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเฟอรกิเลสทรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงเขาพระเจ้าเลื่อมใสแล้วได้ถือผลอันชันขาวด้วยมือทั้งสองของตนไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นเนื้อนาบุญเป็นนักปราดในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายผลไม้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 ภูรัญชิยพละทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองกระปิตถพละทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระกะปิตะพละทายกะเทระพระกะปิตะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายผลมกขิดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคํา ผู้สมควรรับเครื่องบูชาซึ่งกำลังเสด็จดำเนินไปตามถนนในกลับที่เก้าสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปเข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้ากรถอนได้แล้วเข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระกปฏะพละทายกะเถระได้ภาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้กปิตะพละทายกะเถราประธานที่สองจบสโกสุมภะภริยะเถราประธานประวัติในดิจิตชาติของพระโกสุมภะภริยะเถระ พระโกสุภะภริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจาตาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถวายผลสเครอแด่พระผู้องค์อาจกว่านรชนผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงงดงามดังต้นรกฟ้าขาวซึ่งกําลังเสด็จดำเนินไปตามถนนในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 โกสุมภะภริยะเถราประธานที่สามจบ4เกตะกะปุพิยะเถราประธานประวัติในดิจชาติของพระเกตะกะปุพิยะเถระพระเกตะกะปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวินตาข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเคอกิเลิ ผู้เป็นเอกอัพรับุคคลมีพระทยตั้งมั่นครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยดอกกา ร, ระเกตซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งในกลับที่เกสบอดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 กุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเกจกะปุพพิยะเทระได้ภาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เกจกะปุพพิยะเทราประทานที่สี่จบห้า นาคาปุพยเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระนาคาปุพยเถระพระนาคปุพยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ดำดอกกากระทิงมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําผู้สมควรรับเครื่องบูชาซึ่งกําลังเสด็จดําเนินไปตามถนน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 ท่านพระนาคาปุพยเถระได้ภาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนินาคาปุพยเถราประธานที่ห้าจบหอาจุนะปุพยเถราประธานประวัติเนดิตชาตของพระอาจุณปุพยเถระพระอาจุณปุพยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เป็นกินนอนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระสยามพูพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเคลกิเลสผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชิตเลื่อมใสมีใจยินดีเกิดความปราโมทประนมมือแล้วถือดอกรกฟ้ามาบูชาพระสยามพูด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละร่างกินนอนแล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดสามชาติได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองมหาสมบัติสิบชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท่วนพืชนั้นเป็นอันข้าพเจ้าดีหวานไว้แล้วในเนื้อนาที่ดีคือพระสยามผู่กุศลของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าบวชเป็นบรรพชิตวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ควรแกิการบูชาในศาสนาของพระสากยะบุตรกิเลสทั้งหลายข้าพาเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพาเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพาเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพาเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้ วิชาสามเขาพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระอชุนะปุพยเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ ด้วยประกาศฉนิัจจุะปุพยเถราประธานที่หจบ7กุชะปุพยเถระประธานประวัติในดิจชาของพระกุชะปุพยเถระพระกุชะปุพยเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออั จ, จะละ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัศนะประทับอยู่ที่ระหว่างภูเขาเขาพระเจ้าถือดอกไม้ซึ่งเปิดที่ภูเขาหิมพานเหาะไปณที่นั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอเะได้แล้วผู้ไม่มีอาสวะครั้งนั้นเขาพระเจ้าถือดอกโมกใหญ่ทูลเกล้าบูชาพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกับนี้ไป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 วิชาสามเขาพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระกุจฉาปุพพิยะเทระ ได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้กุชะปุพยะเทราประธานที่เจ็ดจบแโคสะสัญญกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระโคสะสัญญกะเทระพระโคสะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเพิกกิเลสซึ่งหมู่เทวดาห้อมล้อมแล้วทรงประกาศสัจจะสี่ทรงแสดงอมตะบทอยู่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมอันไพเราะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกพระนามว่าสิชีจึงทําจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงและในพระองค์ผู้หาใครเสมอเหมือนและเปรียบเทียมม่ได้ ครันทําจิตให้เลื่อมใสแล้วจึงได้ข้ามพพที่ข้ามได้ยากในขับที่สามสิบเอ็ดนับจากขกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้สัญญาในพระสุรเสียงในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระสุรเสียงกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโคสสัญญกะเทระได้พาศิฟัทาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้โคสนานิกะเทราประธานที่แปจบ9กสัพพะพละทายกะเทราประธานประวัติในดิจชิชาติของพระสัพพะพละทายกะเทระ พระสัพพะภะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เป็นพราหมณ์มีนามว่าวรุณะเรียนจบมนแล้วละทิ้งบุตรสิบคนเข้าป่าสร้างอาสมอย่างดีสร้างบรรณศาลาจัดไว้เป็นสัด ส, ส่วนน่ารื่นรมย์ใจอยู่ในป่าใหญ่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมายัางอาสมของข้าพเจ้าพระรัศมีได้แผ่ไปทั่วไพรสนครั้งนั้นบ่าใหญ่สว่างสวัยด้วยพุทธานุภาพข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้คงที่จึงได้เก็บไปไม้ไมาเย็บเป็นกระทงแล้วใส่ผลไม้จนเต็ม เข้าไปฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถวายทั้งหาบเพราะจะทรงอนุเคราะห์เข้าไปเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสพระดํารัสนี้ว่าท่านจงหาบตามหลังเรามาเมื่อพระสงฆ์ฉันแล้วบุญจะมีแก่ท่านเข้าพเจ้าได้ขอผอผลไม้ถวายภิกษุสงฆ์ทําจิตให้เลื่อมใสในภิกษุสงฆ์นั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าพเจ้าผู้ประกอบด้วยบุญกรรมสวยยศ พร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีอันเป็นทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆข้าพเจ้าไม่มีความพร่องด้วยโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เพราะได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงครองความเป็นใหญ่ตลอดทวีปทั้งสี่พร้อมทั้งทะเลและภูเขา แม้ฝูงนกเท่าที่โผบินอยู่ในอากาศก็อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ยักษ์พูดรากสดภุมิพันธุ์และครุดเท่าที่มีอยู่ในไพรสนต่างก็มาบำรุงข้าพเจ้าแม้จระเข้หมาในพึ่งเหลือกและยุงทั้งสองก็อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ แม่นกรุฑและเหล่าปักษีที่มีกําลังมากก็มานับถือข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้แม้พวกนาคที่มีอายุยืนมีฤทธิ์มียศมากก็มาอยู่ในอํานาจ ข, ของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ราชสีเสือโครงเสือเหลืองหมีหมาป่าหมาในก็อยู่ในอํานาจ ข, ของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ รุ ก, กเทวดาที่มีรัศมีดังดาวประกายพรกและเหล่าอากาศัตเทวดาทั้งหมดลว้วนนับถือข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ธรรมที่เห็นได้โดยยากละเอียดลึกซึ้งซึ่งพระาศาสดาทรงประกาศไว้ดีแล้วข้าพเจ้าก็ได้บรรลุแล้วนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ข้าพเจ้าบรรลุวิโมกแปรเป็นผู้มีความเพียร และมีปัญญาเครื่องรักษาตนอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้บรรดาพุทธบุตรผู้บรรลุอรหัตผลสิ้นโทสะมียศยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ข้าพเจ้าได้สำเร็จอภินยาถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 ประวัติในเดตชาตของพระปทุมมาาริยเถระพระปทุมมาาริยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่าในที่เมฆไกลาจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมาสะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอภิสัมภวะประทับอยู่กลางแจ้งขาพระเจ้าออกจากที่อยู่กั้นดอกประทุมแทนร่ม ครั้นกั้นอยู่ตลอดหนึ่งวันแล้วจึงกลับไปยังที่อยู่เนกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, า, า, าได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้ากระถอนได้แล้วข้าพเจ้าตักกิเลเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปทุมะทาริยะเทระได้พาเศษคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปทุมะทาริยะเทราประธานที่สิบจบพระละทายกระวัคที่ห้าสิบสองจบบริบูรณ์ร่วมปรธานที่มีในวรรนี้คือ 1นุรัญชียะพละทายกเทราประทาน 2. กปิฏถะพละทายกเทราประทานสโกสุมภภริยะเทราประทาน 4. เกตกะปุพพิยะเทราประทานหนาคปุพพิยะเทราประทานหกอจุณะปุพพิยะเทราประทาน7ป็ดุชะปุพพิยะเทราประทาน โคสะสัญญะเถราปาพพ ร, ะระทานเก้าสัพพะพละทายะเถราประทานสิปทุมะทาริยะเถราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคถาได้8ปสามคถา